วิลินทปัญหาของกรมศิลปากรวิลินทปัญหาปฐมวักวิริยะลักษณะปัญหาที่สิบเอ็ดถามว่า ความเพียรมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชคอการตรัสุจชาด้วยลักษณะแห่งวิริยะว่าพันเตนาฆเสนฆะ่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันว่าวิริยะนั้นเล่ามีลักษณะเป็นประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะตูกระระบอบพิษพระราชาสมภาร อันว่าวิริยะนี้มีลักขณะว่าอุปรถรมพนาการค้ําชูไว้มิให้กองกุศลธรรมทั้งหลายสิ้นเสื่อมสูญไปขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่านิมนุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชาดูกระบพิษพระราชสมภารเปรียบปานเหมือนเรือนอันเก่าชํารุดสุดเซปัตันเต อันจะล้มไปเขาจึงเอาไม้เข้าค้ำจุนไว้มิให้เรือนเก่าตีนเสาขาดนั้นล้มลงช่วยปะทะปะทางค้ำจุนไวยะถามีครุวนาฉันใดวิริยะก็อุปธรรมค้ำชูไว้ซึ่งกุศลธรรมในสันดานอันมีจิตเป็นกุศลมิให้เสื่อมไปได้ดุดตะม่อไม้จุนเรือนขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งไปกว่านี้ก่อนพระนาคเกษ็ถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารปานดุดบรมกษัตริย์เสด็จไปปราบอารินทราชด้วยเสนาเป็นอันมากก็มิอาจจะรุกรบหมู่อารินอันน้อยได้อันดับนั้นไปจึงมีพระราชค์การให้เสนาไปแต่น้อย ตั้งตัวนายไปตรวจตราตามหน้าที่เรียงตัวกันไปเป็นกองอุดกองหนุนกำชับกำชาเป็นอันดีก็เข้ากระโจมตีเสนาอันมากมายให้พ่ายแพ้ไปอาศัยทั้งกองอุดกองหนุนและกองตรวจตรายะถามีคารุวนาฉันใดวิริยะมีลักขณะคำชูไว้ซึ่งกองขุศลมิให้เสื่อมได้อุปมาดุดเสนาน้อย มีกองหลังกองตรวจอุดหนุนค้ำชูยังหมู่เสนาเป็นอันมากให้กระจัดกระจายพ่ายแพ้ไปนั้นต้องด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระศรีสันเพชอานาวรณยานตรัสประธานธรรมเทศนาไว้ดังนี้วิริยะพโลพิกเวอริยสาว ก, กอกุสลัง์ปชาหติกุสลังภพาเวติสาวัชังปชาหติ อาาวัชังภาเวติสัทธมานะปริหายันตีติกระแสพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูกะระภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกโกพระอริยะสาวกย่อมฝักใยในวิริยะภละมีเพียรเป็นกำลังยังกองอกุศลให้สูญเสื่อมไปแล้วให้กุศลธรรมจำเริญสุขใสภัยโรธ และเสียซึ่งสิ่งอันเป็นโทษกระทาแต่ที่หาโทษมิได้นั้นณปริหายันติมิให้สูญเสียจากพระัทธรรมนี่แหละสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าโปรดไว้เชนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังก็มีพระไทยชื่นชมพิรมรับคำว่าพระผู้เป็นเจ้าช่างกล่าวอุปมา ฟังดูก็สมควรในการบัดนี้วิริยะลักษณะปัญหาเป็นคำรบสิอจบเท่านี้